ตอนความรักความร้ายความรักก็เหมือนกนารจับไฟนั่นแหละทางที่จะไม่ให้มือพองเพราะไฟเผามีอยู่ทางเดียวคืออย่าจับไฟเล่นกับไฟ ทางที่จะปลอดภัยจากรักก็ฉะนั้นไม่อยู่ทางเดียวคืออย่ารักพระคุณเจ้าจะว่ายังไงก็ตามเถิดแต่ข้าพเจ้านะหากรักจากพระคุณฑเจ้าไม่ได้เสียแล้วแม้พระกุณเจ้าจะไม่ปราณีข้าพเจ้าเยี่ยงคนรักละก็ขอให้พระคุณเจ้านะรับข้าพเจ้าไว้ในฐานะผู้ซื่อสัตย์ข้าพเจ้าจะปฏิบัติพระกุณเจ้าบ่งหลงพระกุณเจ้าเพื่อความสุขของท่านและของข้าพเจ้าด้วยน้องหญิง ประโยชน์อะไรล่ะที่เธอจะมารักคนอย่างอาตมานะอาตมารักพระศาสดาและพระมรรจันทร์หมดหัวใจเสีแล้วไม่มีหัวใจไว้รักอะไรได้อีกแม้เธอจะขอสมัครอยู่ในฐานะเป็นทาสก็ไม่ได้พระศาสดาทรงห้ามม่ให้ภิกษุในพระศาสนามีทาสไว้ใช้ยิ่งเธอเป็นทาสหญิงด้วยแล้วล่ะก็ยิ่งเป็นการผิดมากขึ้นแม้จะเป็นสิทคอยปฏิบัติก็ไม่ควร จะเป็นที่ตำหนิของวินยูชนเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียอัตมาน่ะเห็นใจน้องหญิงแต่จะรับไ้ในฐานะใดฐานะหนึ่งน่ะไม่ได้ทั้งนั้นน่ะกลับสเสถิดน้องหญิงพระาศาสดา ห, หรือพิสุสา ม, มนเณรเห็นเข้านะ่ะจะตำหนิอัตมาได้นี่ก็จูรจะถึงพระตันท ก, กุฎีแล้วอย่าเข้ามานะพระ อ, อนน์ยกมือขึ้นห้ามในขณะที่นางทาสีจะก้าวตามท่านเข้าไป พระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงเถียงกันระหว่างพระอนนท์กับสตรีจึงตรัสถามมาจากภายในพระตุนทากดีว่าอะไรกันอนน์ผู้หญิงพระเจ้าค่ะเคยจะตามข้าพระองค์เข้ามายังวิหารให้เธอเข้ามาเถอะพามณีมหาตถาคตพระศาสดาตรัสพระอนนท์พานางทาสีเข้าฝ้อพระศาสดา ถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคมีพระวาจาว่าอานน์เรื่องราวเป็นมายัางไงทำไมเขาจึงตามเธอมาถึงนี่ละ่ะเมื่อพระอานนท์ทูลให้ทรงทราบแล้จึงตรัสว่าพักคินีเธอน่ารักใคร่พอใจอานน์หรือไงพระเจ้าค่ะนางทาสียกมือแค่อกรับตามความเป็นจริง เธอรักอะไรใ น, นอนนน์น่ะข้าพระพุทธเจ้ารักในตาพระอรนอนน์พระเจ้าค่ะในตานั้นน่ะประกอบขึ้นด้วยเส้นประสาทและเนื้ออ่อนต้องมันเช็ดสิ่งสกปรกในดวงตาอยู่เป็นนิดมีขี่ตาไหลออกจากในตาอยู่เสมอคั้นแก่ลงก็จะฝ้าฟางขุ่นมัวไม่แจ่มใสอย่างนี้นะ่ะเธอยังรักในตาของอนอนน์อยู่หรือ ถ้าอย่างนั้นค่าพระองค์รักหูของพระอานุนพระเจ้าค่าพะพคินีหูนั้นน่ประกอบด้วยเส้นเอ็นและเนื้อภายในช่องหูก็มีของโศโครกเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นต้องแค้คายอยู่เสมอคลันชราลงก็หนวกจะฟังเสียงอะไรก็ไม่ถนัดหรืออาจไม่ได้ยินเลยดังนี้แล้วนะ่ะเคยยังจะรักอยู่หรือนางเอียงอายเล็กน้อยแล้วตอบเลี่ยงต่อไปว่า ถ้าอย่างนั้นนะ่ะถ้าพระองค์รักจมูกอันโด่งงามของพระอานนท์พระเจ้าค่าปะปาคินีจมูกนั้น่ประกอบขึ้นด้วยกระดูกอ่อนที่มีโพรงภายในก็มีน้ำมูกและเส้นขนกับของโสโครกมีกลิ่นเหม็นเป็นก้อนๆ อ, อย่างนี้นะ่ะเคยยังจะรักอยู่อีกหรือไม่ว่านางจะตอบเลี่ยงไปยังไงพระพุทธองค์ก็ทรงชี้แจงให้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายแอนสกรปรกเปื่อยเน่านี้ ในที่สุดนางคนนั่งก้มหน้านิ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าพระคินีเอยอันร่างกายนี้น่ะสะสมไม่แต่ของสุกโปรกโโครกมีสิ่งปฏิกูลน่ะไหลออกจากวาวรทั้งสี่มีช่องหูช่องจมูกเป็นต้นเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิดเป็นรังแห่งโรคเป็นที่เก็บมูดและกรีด อุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งมันจุเอาสิ่งสโสโครกต่างๆเข้าไว้และก็ซึมออกมาเสมอๆเจ้าของกายจึงต้องชำระล้างขัดถูวันละหลายๆครั้งเมื่อเว้นจากการชำระล้างแม้เพียงวันเดียวหรือสองวันกลิ่นเหม็นก็ปรากฏเป็นที่รังเกียจเป็นขอ ง, ง, ง, ขขยยงน่าขยะขแขยงพัินีร่างกายนี้นะเป็นเหมือนเรือนซึ่งสร้างด้วยโครงกระดูก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 มีสิ่งปฏิกูลพึงลังเกียจแม้พระศาสดาตรัสอยู่อย่างนี้ความรักของเธอที่มีต่อพระอานนท์ก็หาลดลงไม่แม้บางคราวแสงสว่างฉายวูบเข้ามาสู่หัไทยของนางจึงทาให้นางมองเห็นความเป็นจริงตามพระศาสดาตรัสก็ตามแต่มันมีน้อยเกินไปไม่สามารถจะข่มความสเสน e หาที่เธอมีต่อพระอนนท์เสียได้เหมือนน้ําน้อยไม่พอที่จะดับไฟโดยสิ้นเชิง ไฟคือราคาในจิตใจของนางก็ฉะนั้นคุกรุนอยู่ตลอดเวลานางคิดว่าจะทำฉนหนหนอจกสามารถอยู่ใกล้พระอรนนต์ได้เมื่อไม่ทราบจะทำประการใดจึงทูลลาพระาศาสดาและพระอรนนต์กลับบ้านก่อนกลับนางไม่ลืมที่จะชำเรเลืองมองพระอรนนท์ด้วยความเสน่หา เนื่องจากมาสีเวลาในวัดเชตวันสนาน นางจึงกลับไปถึงบ้านออกจูนค่ำนางรู้สึก ต, คตะคร่น้นตระครอทั้งกายและใจเกรงว่าระหว่างที่นางหายไปนานนั้นนายอาจจะเรียดชัยเมื่อไม่พบนางคงถูกลงโทษอย่างหนักอย่างที่เคยถูกมาแล้วอันจา่าชีวิตของคนผ้าช่างไม่มีอิสระและความสุขสิเลยเป็นการบันเอินอย่างยิ่งปรากฏว่าตลอดเวลาที่นางหายไปนั้น นายไม่ได้เรียกใช้เลยผิดจากวันก่อนๆ น, นี่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากพุทธานุภาคืนนั้นนางนอนกระวนกระวายอยู่ตลอดคืนจะคมตาให้หลับสักเท่าใดก็หาสำเร็จไม่พอคเคลิ้มนางก็ต้องผวาตื่นขึ้นด้วยผ้าแห่งพระอานนท์ปรากฏทางประสาทที่หกหรือมโนทวาร นางนอนภาวนาชื่อของพระ อ, อนตน์เหมือนนามเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธคุณก็คอยไหลวนเวียนเข้ามาสู่ความสำนึกอันลึกซึ้งนางคิดว่าภายใต้พุทธฉายาน่าจะมีความสงบเย็นและบริสุทธิ์น่าพึงใจเป็นแน่แท้แต่จะทำอย่างไรหนอจึงจะประสบความสงบเย็นเช่นนั้นเสียงไก่โห่อยู่ไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มสาง ลมเย็นตอนรุ่งอรุณพัดแผ่วเข้ามาทางช่องหน้าต่างนางสลัดผ้าหมออกจากกายลุกขึ้นเพื่อเตรียมอาหารไว้สำหรับนายนางภาวนาอยู่ในใจว่าเช้านี้ขอให้พระอนุ์บินทบัตผ่านมาทางนี้เถอะ แสงแดดในเวลาเช้าให้ความชุ่มชื่นพอสบายนางเศรษฐุระอย่างอื่นออกมายืนเมืออยู่หน้าบ้านมองไปเบื้องหน้าเห็นพิสุณีรูปหนึ่งมีบาดในมือเดินผ่านบ้านของนางไปท่านใดนั้นความคิด ก, ก็แวบเข้ามาทำให้นางดีใจจนเนื้อเต้นพิสุณีเราบวชเป็นพิสุณีสิจะได้อยู่ในบริเวณวัดเฉตวันกับภิษุณีทั้งหลาย และคงมีโอกาสได้อยู่ใกล้และพบเห็นพระ ก, กุณเจ้าอันเป็นที่รักของเราเป็นแน่แท้นางได้ลานายไปเฝ้าพระศาสดาและทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระศาสดาทรงเห็นอุปณิสัยแห่งนางแล้วประทานอนุ ญ, ญาตให้อุปสมบทอยู่ในสำนักแห่งพิสูนีในวัดเชตวันนั่นเองเมื่อบวชแล้วพิษุณีรูปใหม่ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ท่องบนพระธรรมวินัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติได้ดีสำรวมอยู่ในศิกขาบทปาติโมกมีศิกขาและอาชีพเสมอด้วยพิษุจนีทั้งหลายเป็นที่รักใคร่ชอบพอของพิษุจน์อื่นๆทั้นทงนี้พระนางเป็นผู้ส ง, งียมเจียมตนและพอใจในวิเวกอีกด้วยถึงกระนั้นก็ตามทุกเวลาบ่ายเมื่อนางได้เห็นพระ อ, อ น, นุขณะให้อววาดแก่พิสูนีบริสัท ความรังจวนใจก็ยังเกิดขึ้นรบกวนนางอยู่มิเว้นวายจะพยายามขม่มด้วยอสุภกรรมฐ า, านสักเท่าใดก็หาสงบราบคาบอย่างพิสุนีอื่นๆใหม่คราวนี้นางได้ฟังโอวาจากพระศาสดาเรื่องกิเลสสามประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่ากิเลส ท, ทั้งสามประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมัน ใหรุ่มร้อนกระวนกระวายเหมือนไฟเผาไม้ท่อนไม้และแกล บ, บให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้งสาประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสักมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วประพฤติตนเป็นผู้ไม่มีเรือน เรียกว่าได้ชัดกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นปัวพันอยู่ในกามก็หาสําเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่คือเขาไม่สามารถจะทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบได้อุปมาเหมือนไม้สดชุ่มอยู่ด้วยยางแม้จะวางอยู่บนบกบุคคลผู้ต้องการไฟก็ไม่อาจนํามาสีให้เกิดไฟได้เพราะฉะนั้นภิกษุภิกษุณี ผู้ชักกายออกจากกรรมแล้วควรพยายามชักใจออกจากกรรมความเพลิดเพลินลหลงไหลซะด้วยนางได้ฟังพระพุทธภาษิตนี้แล้วให้รู้สึกละอายใจตนเองสุดประมาณที่นางเข้ามาบวชก็มิได้มุ่งหมายเพื่อกําจัดทุกข์ให้สูญสิน้นหรือเพื่อทําลายกองตันหาอะไรเลยแต่เพื่อให้มาอยู่ใกล้คนอันเป็นที่รักคิดดูแล้วเนี่ยเหมือนนำน้ำมันมาวางไว้ใกล้เพลิง มันมีแต่จะลุกเป็นไฟกองมหือมาขึ้นสักวันหนึ่งเมื่อปรารบดังนี้านางก็ยิ่งกระวนประวายใจมากขึ้นพระอานนท์หรือก็ไม่เคยทักทายปราสายเป็นส่วนตัวเลยการได้เห็นคนอันเป็นที่รักเป็นความสุขจริงแต่มันเล็กน้อยเกินไปเมื่อนำมาเทียบกับความทรมานในขณะที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวและว้าเวกาสาวพัท เป็นกำแพงเหลืองมะฮือมาที่คอยกันไม่ให้ความรักเดินถึงกันถึงกระนั้นก็ยังมีภิกษุและภิกษุณีบางท่านกระโดดข้ามกำแพงนี้ล่วงละเมิดสิกขาบทวินัยของพระพุทธองค์จนได้นางคิดมาถึงเรื่องนี้แล้วสีสันหลังว่าเหมือนถูกก้อนหิมะอันเยือกเย็นโดยไม่รู้สึกตัวมาก่อนนางพยายามสะกดใจไม่ให้คิดถึงพระอ น, นุ์ พยายามท่องบนสาธยายพระธรรมวินัยแต่ทุกขณะจิตที่ว่างลงดวงใจของนางก็จะครั่งครวญลำพันถึงพระอานนท์อีกนางรู้สึกปวดศีษะและเวงเวียนเพราะความคิดหมกมุ่นสับสนนี้เองกระมังที่พระอรนนท์พูดไว้แต่วันแรกที่พบกันว่าความรักนะ่ะเป็นความร้ายวันหนึ่งนางชวนเพื่อนพิษุนีรูปหนึ่งไปหาพระอรนนท์ พระนน์เป็นผู้มีอัธยาศาัยงามจึงต้อนรับนางด้วยเมตตาธรรมนางรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นบ้างเหมือนข้าวกล้าที่จูนจะแห้งเกรียมเพราะขาดน้ำชุ่มชื่นขึ้นเพราะฝนผิดฤดูกาลหลั่งลงมาแต่เมื่อนางจะลากลับนั่นเองพระอนน์พูดขึ้นว่าน้องหญิงต่อไปเนะ่ะเมื่อมีธุระอะไรก็อย่ามาอีกนะถ้ามีความสงสัยเกี่ยวกับข้อธรรมวินัยอันใดลวก็ให้ถาม เมื่ออาตามาไปสู่สำนักไิสู่นีเพื่อให้โอว่าดเถิดคืนนั้นนางนอนร้องไห้ตลอดคืนน้อยใจเสียใจและเจ็บใจตนเองพระอนนท์ฤกษ์ก็ช่างใจไม้ไส้ระกรรมเสต็มประดาจะเห็นแก่ความรักของเราบ้างก็ไม่มีเลยนางยิ่งคิดยิ่งช้ำและน้อยใจพิะสุนีผู้พักอยู่ณที่ใกล้ได้ยินเสียงสะอื้นในยามดึก จึงลุกมาหาด้วยความเป็นห่วงถามนางว่าโกกิลามีเรื่องอะไรหรือไม่มีอะไรหรอกสุมิตราข้าพเจ้าฝันร้ายไปยอ่ะรู้สึกตกใจมากจึงร้องไห้ออกมาขอบใจมากนะที่ท่านเป็นห่วงข้าพเจ้าไนงะพระศาสดาสอนเราว่าให้เจริญเมตตาและจะไม่ฝันร้ายท่านเจริญเมตตาหรือเปล่าล่ะก่อนนอนอนะ่ะอืม เมื่อจเจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายอย่างนั้นเลยใช่ก่อนนอนคืนนี้ข้าพเจ้าลืมไปท่านกลับไปนอนเถอะข้าพเจ้าขออาภัยด้วยนะที่ร้องไห้ดังไปจนท่านตื่นนะ่ะเมื่อพิสุนีสุมิตรากลับไปแล้วพิสุนีโกกีลาก็คิดถึงชีวิตของตัวชีวิตของนางเต็มไปด้วยความเป็นทาตเมื่อก่อนบวชก็เป็นทาตทางกาย พอปลีจากทาาทางกายมาได้ก็มาตกเป็นทาาทางใจเท่าอีกแน่นอนทีเดียวผู้ใดตกอยู่ในความรักดวงใจของผู้นั้นย่อมเป็นทาตทาตของความรักทาตรักนั้นจะไม่มีใครสามารถช่วยปลดปล่อยได้นอกจากเจ้าของดวงใจจะปลดปล่อยเองนางหลับไปด้วยความอ่อนเพลียงวดจวนจะรุ่งสามอยู่แล้ว พระอนุชาตอนกั บ, กบโกคีลาภิษุรีในที่สุดเมื่อเห็นว่าจะสะกดใจไว้ไม่อยู่แน่แล้ว นายิ่งตัดสินใจลาพระาศาสดาพระ อ, อนตนลและเพื่อนพิษูนีอื่นๆจากวัดเชตวันเมืองสาวัตถีมุ่งหน้าสู่โคสิตารามเมืองโกสัมพีโดยคิดว่าการอยู่ห่างอาจจะเป็นยารักษาโรครักได้บ้างกระมังนางจากเชตวันด้วยความอาัยอวร์เป็นที่ยิ่งอุปมาเหมือนมารดาต้องจำใจจากบุตรสุดที่รักของตัวฉันใดก็ฉันนั้น นางอยู่จำพรนษานักโคสิตารามซึ่งโคสิตมหาเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธองค์สามเดือนที่อยู่ห่างพระอานุ์ดวงจิตของนางผ่องแผ้วแจ่มใสขึ้นการท่องบนสาทยายและการบำเพ็ญสมณธรรมก็ดีขึ้นตามไปด้วยนางคิดว่าคราวนี้คงตัดอะไรในพระอานุ์ได้เป็นแน่แท้แต่ความรักย่อมมีวงจรของมันเอง จนควารักนั้นจะสุดสิ้นลงชีวิตมักจะเป็นอย่างนี้เสมอเมื่อใครคนหนึ่งพยายามดิ้นรนหาความรักเขามักจะไม่สมปรารถนาแต่พอเขาทาท่าจะหนีความรักก็ตามมาความรักจึงมีลักษณะคล้ายเงาเมื่อบุคคลวิ่งตามมันจะวิ่งหนีแต่เมื่อเขาวิ่งหนีมันจะวิ่งตามด้วยกฎอันนี้กระมัง เมื่อนางหนีรักออกจากชีตาวันและมาสงบอยู่นักกรุงโกสัมพีนี้เมื่อออกปรรษาแล้วข่าวการเสด็จสู่กรุงโกสัมพีของพระผู้มีพระภาคก็แพร่สะพัดมาซึ่งเป็นการแน่นอนว่าพระอานนุ์จะต้องตามเสด็จมาด้วย โกสัมพีทราบข่าวนี้ด้วยความชื่นชมโสมนัสไปสู่สงต่างจัดแจงปัดกวาดเสนาสนะเตรียมพระตันท ก, กุฎีที่ประทับของพระศาสดาพระเจ้าอุเทนเองซึ่งไม่ค่อยจะสนพระไัยในทางธรรมนะักก็อดที่จะทรงปรีดาปราโมทไม่ได้เพราะถือกันว่าพระศาสดาเสด็จไปณที่ใดย่อมนำความสงบสุขและมงคลไปสู่ที่นั้นด้วยการสนทนาเรื่องการเสด็จมาของพระศาสดา มีอยูทุกหัวระแหงแห่งกรุงโกสัมพีาศาสดาคณาจารย์เจ้าลทัทธิต่างๆก็เตรียมผูกปัญหาเพื่อทูลถามบางท่านก็เตรียมถามเพื่อให้พระาศาสดาจนในปัญหาของตนบางท่านก็เตรียมถามเพียงเพื่อเทียบเคียงความคิดเห็นเท่านั้นโมพิสุสง์ปีติปราโมทเป็นอันมากเพราะการเสด็จมาของพระาศาสดาย่อมหมายถึงการได้ยินได้ฟังมัทุรภาสิตจากพระองค์ด้วยและบางท่าน อาจจะได้บรรลุคุณวิเศษเบื้องสูงเพราะธรรมเทศนานั้นใครจะทราบบ้างล่ะว่าดวงใจของโกกีฬาพิษุณีเนีนะ่จะเป็นประการใดเมื่อบ่ายวันหนึง่งเพื่อนพิสุณีนําข่าวมาบอกนางว่านี่โกกีฬาท่านสรา้างไวมล่ะว่าพระศ า, าสดานะ่จะเสด็จมาถึงนี่เร็วๆนี้ละ่ะอย่างนั้นเรยเสด็จมาองค์เดียวหรือยังไงไม่องค์เดียวหรอก ใครก็รู้ว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาน่ะจะต้องมีพระเถระผู้ใหญ่มาด้วยหรืออาจจะมาสมทบที่หลังก็ได้แต่ท่านที่ต้องตามเสด็จแน่ก็คือพระอนุนพุทธอนุชาไงล่ะพระอา น, นุนนางอุทานพร้อมด้วยอามือท่าอกทำไมเลสโกกีลาดูท่านตื่นเต้นมากเหลือเกินนะเปล่าหรอกข้าพระเจ้าดีใจนะที่จะได้ฟ้าพระศาสดาและฝั่งพระธรรมเทศนาของพระองค์ ดีใจจนควบคุมตัวไม่ได้ใครๆเขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแหละโกกีลาคราวนี้นะ่ะเราได้ฟังธรรมกถาอันลึกซึง้งและก็ได้ฟังมัทุรภาษิตของพระมหาเถระเช่นพระสารีบุตรและพระมหากสปะหรือพระอานนท์เป็นต้นวันที่รอคอยก็มาถึงพระาศาสดามีพระผู้สงศ์อรหันต์มูใหญ่แวดล้อมเสดจถึงกรุงโกสัมพีพระราชธาิดีอุเทน และเสนามหาอามาตย์พกขาประชาชนสมณะพรามนาจารย์ถวายการต้อนรับอย่างมาโหฬารยิ่งก่อนถึงสุมประตูโคสิตารามประมาณกึ่งโยธมีประชาชนจำนวนแสนคอยรับเสด็จมักคาดารดาษไปด้วยกลีบดอกไม้นาน า, นาพันธุ์หลากสีที่ประชาชนนำมาโปรยปลายเพื่อเป็นพุทธบูชาในบริเวณอารามก่อนเสด็จถึงพระันท ก, กุดี มีพิสษุและภิสูจนีจํานวนมากกรอรับเสด็จทุกท่านมีแววนแห่งปีติปราโมทถวายบังคมพระาศาสดาด้วยความเคารพอันสูงสุดพระอานุนตามเสด็จพระพุทธองค์ด้วยกิริยาที่งดงามมองดูหน้าลื่นใสพวกคมต่างชื่นชมพระาศาสดาและพระอา น, นุ์และผู้ที่ชื่นชมในพระอนุนเป็นพิเศษก็เห็นจะเป็นโกกีฬาภิสูจนีนั่นเองทันใดนางได้เห็นพระอนนุ์ ความรักซึ่งสงบตัวอยู่ก็ฟุ้งขึ้นมาอีกคราวนี้นะ่ะดูเหมือนจะรุนแรงยิ่งกว่าคราวก่อนซะอีกเพราะเป็นเวลาสามเดือนแล้วที่นาไม่ได้เห็นพระอนุนความรักที่ทำท่าจะสงบลงนั้นมันเป็นเหมือนติณชาติซึ่งถูกริดรอนณนะเบูงปลายเมื่อขึ้นใหม่ย่งขึ้นได้สวยกว่ามากกว่าและแผ่ขยายโตกว่าฉะนั้น สู่ห้องของตนบัดนี้น่ะใจของนางเริ่มปั่ปนป่วนโรนเรออีกแล้วจริงทีเดียวในจกกนนักรวาลนี้ไม่มีไฟอะไรร้อนแรงและดับยากเท่าไฟรักความรักเป็นความเรียกร้องของหัวใจมนุษย์เราทำอะไรลงไปเพราะเหตุเพียงสองอย่างเท่านั้นคือเพราะหน้าที่อย่างหนึง่งและเพราะความเรียกร้องของหัวใจอีกอย่างหนึง่ง ประการแรกแม้จะทําสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างมนุษย์ก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าใดนักหรอกเพราะคนส่วนมากนะ่ยหาได้รักหน้าที่ถ้่ากับความสุขส่วนตัวไม่แต่สิ่งที่หัวใจเรียกร้องนี่สิถ้าไม่สําเร็จหรือไม่สามารถสนองได้แล้วล่ะก็หัวใจจะร่ําร้องอยู่ตลอดเวลามันจะทรมานไปจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของมันหรือมนุษย์ผู้นั้นตายจากไป โกกิลาพิสูนีกำลังต่อสู้กับสิ่งสองอย่างนี้อย่างน่าสงสารหน้าที่ของนางก็คือการทำลายความรักความใคร่บัด น, นะ น, น, น, นี้น่ะนางเป็นภิษุณีไม่ใช่หญิงชาวบ้านธรรมดานางจึงต้องพยายามกำจัดความรักความใคร่ระหว่างเพศให้หมดไปแต่หัวใจของนางกำลังเรียกร้องหาความรักหน้าที่กับความเรียกร้องของหัวใจ อย่างไหนแหละจะแพ้จะชนะกันก็นแล้วแต่ความเข้มแข็งของอำนาจฝ่ายสูงหรือฝ่ายต่ำผู้หญิงนั้นน่ะลงไม่ทุ่มเทความรักให้แก่ใครแล้วแล้วก็มันคงเหนียวแน่นยิ่งนะักยากที่จะถ่ายถอนและความรักที่ไม่มีทางสมปรารถนาเลยนั้นเป็นความปวดร้าวอย่างยิ่งสําหรับผู้หญิงดวงใจของเธอจะระบมบม่มหนองและไหนที่สุด ก็แตกสลายลงด้วยความชอกช้ำ น, นั้นอณิจาโกกิลาแม้เธอจะรู้ว่าความรักของเธอเนี่ยไม่มีทางจะสมปรารถนาได้เลยแต่เธอก็ยังรักสุดที่จะหักห้ามและถ่ายถอนได้อีกคืนหนึ่งที่นางต้องกระวนกระวายลันจวนจิตถึงพระอานน์นอนพลิกไปพลิกมาในตามือรออย่างไร้จุดหมายนานๆจึงจะจับนิ่งอยู่ที่เพดานหรือขอบหน้าตา่าง นางรู้สึกว้าเวเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าลึกเพียงคนเดียวทำไมล่ะนางจึงว้าเวในเมื่อคืนนั้นนะ่ะเป็นคืนแรกที่พระศ า, ศาสด า, าเสด็จมาถึงราชามหาอมาตย์และพ่อค้าขหาพดีมากหลายมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือนสายน้ำที่หลังไหลอ ย, อยู่ไม่ได้ขาดระยะมันเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ผู้ชายน้อยคนมักจะเข้าใจและเห็นใจ พระธรหลัดของพระาศาสดาซึ่งทรงแสดงแก่พุทธบริษัทเมื่อสาอ ย, ยังคงแววอยู่ในโสตของนางพระองค์ตรัสว่าไม่ควรปล่อยตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรักเพราะการพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นเรื่องทรมานและเรื่องที่จะบังคับให้ให้พัดพลากก็เป็นสิ่งสุดวิสัยทุกคนจะต้องพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจ ไม่วันใดก็วันหนึงพระพุทธธรรมบันี้จึงเป็นความจริงซะนี่กระไรแต่เธอจะพยายามหักห้ามใจมิให้คิดถึงพระอนุ์สักเท่าใดก็หาสำเร็จไม่เธอตกเป็นท่าแห่งความรักแล้วอย่างหมดสิ้งหัวใจรุ่งขึ้นเวลาบ่ายนางเที่ยวเดินชมโื่นชมนี่ในบริเวณโคสิตารามเพื่อบรรเทาความกระวนกระวายกลัดกลุ้มรุ่มร้อน เธอเดินมาหยุดยืนอยู่ริมสระซึ่งมีบัวบานสะพรั่งรอบๆสระก็มีม้านั่งทำด้วยไม้และมีพนักพิงอย่างสบายเธอชอบมาเล่นบริเวณสระนี้เสมอๆดูดอกบัวดูมแมลงซึ่งบินวนไปเวียนมาอยู่กลางสระลมพัดเชยฉิวหอบเอากลิ่นดอกบัวและกลิ่นน้ำคละคล้าวกันมาทำให้นามีความแช่มชื่นขึ้นบ้านธรรมชาติ เป็นสิ่งมีคุณค่าต่อชีวิตชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติมักจะเป็นชีวิตที่ชื่นสุขเบาสบายยิ่งมนุษย์เนี่ยทอดทิ้งห่างเหินจากธรรมชาติมากเท่าไดเขาก็ยิ่งห่างความสุขออกไปทุกทีมากเท่านั้น กำลังเพลินอยู่กับธรรมชาติอันสวยงามและดูเหมือนความรุ่มร้อนจะลดลงได้บ้างนั่นเองนางได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่เบื้องหลังทันทีที่นางเลี้ยวไปดูภาพน้ำเบื้องหน้านางเข้ามาทําลายความสงบราบเรียบเสด็จพลันพระ อ, อนนท์และโคสิตมหาเศรษฐีเจ้าของอารามนั่นเองนางรู้สึกตะค้อนตะครอมือและลิ้นที่ปากของนางเริ่มสั่นน้อยนเหมือนคนเริ่มจะจับไข้ เมื่อพระอนุนเข้ามาใกล้นางก็ถอยหลางไปนิดหนึ่งโดยนี้ได้สํานึกว่าเบื้องหลังของนางนะบัตรนี้ก็คือสระน้ํบาบังเอิญเท้าข้างหนึ่งของนางเหยียบดินแข็งก้อนหนึ่งนางเสียหลักแล้วก็ล้มลงพระอนุนและโกศิลมหาเศรษฐีตกตะลึงยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นศิลาสักครู่หนึ่งจึงได้สติแต่ไม่ทราบจะช่วยนางประการใดนางเป็นวิสุนีอันคล้ายๆจะถูกตั้งนี้ได้ อย่าพูดถึงพระอานนุ์เลยแม้โคสิตมหาสิษย์เองก็ไม่กล้ายื่นมือประคองนาำให้ลุกขึ้นนางพยายามช่วยตัวเองจนสามารถลุกขึ้นมาสําเร็จแล้วคุกเข่าลงเบื้องหน้าพระอานนุนก้มหน้านิ่งในความละอายน้องหญิงเสียงท้งทุ้ทมนุ่งนวลของพระอานนุนปรากฏแก่โสตของนางเหมือนแววมาตามสายลมสิงได้เปรียว แต่แฝงไว้ได้วยความห่วงใยของพระอานนท์ได้เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจนางให้ชื่นบานอะไรล่ะจะเป็นความชื่นใจของสตรีมากถ้ารู้สึกว่าชายที่ตนพบงรักมีความห่วงใยในตนสตรีน่ะเป็นเพศที่จำความดีของผู้อื่นได้เก่งพอๆกับการให้อภัยและลืมความผิดพลาดของชายอันตนรักเหมือนเด็กน้อย แม้จะถูกเขี่ยนมาจนปวดร้าวไปทั้งตัวแต่พอมารดาผู้เพิ่งจะวางไม้เรียวแล้วหันมาปลอบด้วยคําอ่นอนๆหวานสักคู่หนึ่งและแถมด้วยขนมชิน้นน้อยบ้างเท่านั้นเด็กน้อยจะลืมเรื่องไม้เรียวก็หันมาชื่นชมยินดีกับคําปลอบโยนและขนมชิ้นน้อยเขาจะซุกตัวเข้าสู่อ้อมอกของมารดาและกอดรับเหมือนอะไรอย่างที่สุดการให้อภัยคนที่ตนรักนั้น ไม่มีที่สิ้นสุดในหัวใจของสตรีและบางทีก็เป็นเพราะธรรมชาติอันนี้ด้วยที่ทำให้เธอชอกช้ำแล้วชอกช้ำอีกแต่มนุษย์ทั้งบุรุษและสตรีเป็นสัตว์โลกที่ไม่ค่อยจะรู้สึกเขตดลาบจึงต้องชอบช้ำด้วยกันอยู่เนืองเนืองนางช้อนสายตาขึ้นมองพระอ น, นุลแวบหนึ่งแล้วคงก้มหน้าต่อไปไม่มีเสียงตอบจากนางเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอหอย นางผู้ไม่ออกบอกไม่ถูกว่าดีใจหรือเสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาน้องหญิงเธอเจ็บบ้างไหมล่ะอาตมาน่ะเป็นห่วงว่าเธอจะเจ็บไม่เป็นไรพระคุณเจ้าเธอมาอยู่นี่สบายดีหรือพอทนได้พระคุณเจ้าแม่นางนะ่ะต้องการอะไรเกี่ยวกับปัจจัยสี่นะ่ะขอให้บอกข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอประวารณาเอาไว้ ท่านสติพูดขึ้นบ้างแล้วพระอนนท์และโกสิสติถีก็จากไปนางมองตามพระอนนท์ด้วยความรันจูนพิศวาสนางรู้สึกเหมือนอยากให้หกล้มวันละหลายครั้งถราการหกล้มนั้นเป็นเพราะเธอได้เห็นพระอนน์อันเป็นที่รักนางเดินตามพระอนนท์ไปเหมือนถูกสะกดความรักทําให้บุคคลทําสิ่งต่างๆอย่างครึ่งหลับครึ่งตื่นครู่หนึ่ง นางจึงหยุดเหมือนเนึกออะไรขึ้นมาได้แล้วเหลียวหลังกลับสู่ที่อยู่ของนาง กลับสู่ที่พักของพิสูนีด้วยหัวใจที่เศร้าหมองความอยากพบและอยากสนทนาด้วยพระอานนท์นั้นมีมากสุดประมาณบคุคคลที่มีความปรารถนาอย่างรุนแรงย่อมคิดหาอุบายเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ปรารถนานั้นเมื่อไม่ได้โดยอุบายที่ชอบก็พยายามทำโดยเลขกลมารยาและแต่ความปรารถนานั้นจะสำเร็จได้โดยประการใดโดยเฉพาะความปรารถนาในเรื่องรักด้วยแล้วก็ ย่อมหันเหบิดเบือนใจของผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันให้กระทำได้ทุกอย่างเพราะพุทธองค์จงตรัสว่าเมื่อใดความรักและความหลงครอบงาจิตเมื่อนั้นบุคคลก็มืดมนเสมือนคนตาบอดนางปิดประตูกุฏินอนเหมือนคนเจ็บหนักพิสุณีผู้อยู่ห้องติดกันได้ยินเสียงครางจึงเคาะประตูเรียก ท่านเป็นอะไรไปหรือโกกีฬาสุนันทาภิษุนีถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรมากรอกสุนันทาปวดซีสาร์เล็กน้อยนะ่ะแต่ดูเหมือนจะมีอาการไข้ฉันยาแล้วดูยังบ่ะเรียบร้อยแล้วละ่ะเออมีอะไรจะให้ข้าพเจ้าช่วยท่านบ้างไม่ต้องเกรงใจนะข้าพเจ้ายินดีเสมอละ่ะมีธุระบางอย่างอนะ่ะถ้าท่านเต็มใจจะช่วยเหรือก็พอทําได้ โกกีลาพูดมีแววแช่มชื่นขึ้นมาบ้างมีอะไรบอกมาเถอะถ้าข้าพเจ้าพอช่วยได้ก็ยินดีสุนันทาตอบด้วยความจริงใจท่านรู้จักพระอนนท์ไม่ใช่หรือรู้สิโกกีลาพระอนน์น่ะใครๆก็ต้องรู้จักท่านเว้นแต่ผู้ไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นน่ะท่านมีธุระที่พระอนนท์หรือถ้าไม่เป็นการลําบากแก่ท่าน ข้าพเจ้าอยากวานให้ท่านนะ่ะช่วยนิมนต์พระอานนท์มาที่นี่ข้าพเจ้าออยากฟังโอวาทของท่านเวลานี้ข้าพเจ้ากําลังป่วยชีวิตนะ่ะเป็นของไม่แน่พระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่ใช่หรือว่าความแตกดับแห่งชีวิตความเจ็บป่วยการเป็นที่ตายสถานที่ทิ้งร่างกายและกะติในสัมภารยาภพนะี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายใครๆ ร, รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนะ่ะ ขอท่านอาศัยความอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ข้าพระเจ้าว่าโกกีฬาภิษุณีขอนมสัส ก, การท่าน้วยเสียงก้าวเวลานี้นะ่านางป่วยไม่สามารถลุกขึ้นได้ถ้าพระกุณเจ้าจะอาศัยความการุณาไปเยี่ยมไข้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่นางหาน้อยไม่พระอนน์ได้รับคําบอกเล่าจากสุนันทาภิษุณีแล้วให้รู้สึกเป็นห่วงกังวลถึงโกกีฬาภิษุณียิ่งหนักท่านคิดว่า หรือจะเป็นพราะนางหกลมเมื่อบ่ายนี้กระมังจึงเป็นเหตุให้นางป่วยลงอณิจจาโกกีลาเธอรักเราเราหรือจะไม่รู้แต่เธอมาหลงรักคนที่ไม่มีหัวใจจะรักซะแล้วเหมือนเด็กน้อยผู้ไม่ประสาต่อความตายนั่งร่ำร้องเร่งเล่าขอคำตอบจากมารดาผู้นอนตายสนิทแล้วเนะี่ยช่างน่าสงสารน่าสังเวชสินี่กะไรผู้หญิงเนี่ย มีความอ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจพระศาสดาจึงกีด ก, กันนักหนาในเบื้องแรกที่จะให้สตรีบวชในพระศาสนาทั้งนี้นะี่เป็นเพราะพระมหากรุณาของพระองค์ที่ไม่ต้องการให้สตรีลำบากมีเรื่องเดียวเท่านั้นนะที่สตรีทนได้ดีกว่าบุรุษนั่นก็คือการทนต่อความเจ็บปวดพระอานนท์มีพระรูปหนึ่งเป็นปัจฉาสมณนะ ไปสู่สำนักพิสูจนนีเพื่อเยี่ยมไข้แต่เมื่อเห็นอาการไข้ของโกกิลาพิษุจณนีแล้วความสงสารและกังวลของท่านก็ค่อยๆ ค, คลายตัวลงความฉลาดอย่างเลิศล้ำของพระพุทธอนุชาแผงทะลุ ค, ความรู้สึกและเทลัญยาการของนางท่านรู้สึกว่าท่านถูกหลอกท่านไม่เชื่อเลยว่านางจะเป็นไข้แต่เอาเถอะพระอนุนตรบ ก, กับตัวเอง โอกาสนี้นะ่ะเป็นโอกาสดีเหมือนกันที่จะแสดงบางอย่างให้นางทราบเพื่อนางจะได้ละความพยายามเลิกรักเลิกหมกมุ่นในโลกีวิสัยหันมาทําความเพียรเพื่อละสิ่งที่กวรละและเจริญสิ่งที่ควรทําให้เจริญให้เหมาะสมกับเพศภิสุนีแห่งนางคงจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่นางไปตลอดกาลนานและคงจะเป็นปฏิการอันประเสริฐสําหรับความรักของนาง คู่พักดีต่อเราตลอดมา ลลาาูประรกิเลและแล้วพระอนุนก็กล่าวว่าน้องหญิงชีวิตนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องที่น่าละอายทรงตูอยู่ด้วยเรื่องที่ยุ่งยากสับสน และจบลงด้วยเรื่องเศร้าอันหนึ่งชีวิตนีนะ้เริ่มต้นและก็จบลงด้วยเสียงครั่งครวนเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้และเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ําตาเด็กร้องไห้นะพร้อมด้วยกํามือแน่นเป็นสัญลักษณ์ว่า เขาเกิดมาเพื่อจะนวงเหนียวยึดถือแต่เมื่อหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยน้องหญิงอาตมาขอเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังสกักเล็กน้อยอาตมานะ่เกิดแล้วในสักยะยวง์อันมีศักดิ์ซึ่งเป็นที่เลื่องลือว่าบริสุทธิ์ยิ่งในเรื่องตระกูล อาตมานเป็นอนุชาแห่งพระบรมศาสดาและก็ออกบวชติดตามพระองค์เมื่ออายุได้ส6ปีราชกุมารผู้มีอายุถึงส6ปีเนี่ยที่ยังมีดวงใจผ่องแผ้วไม่เคยผ่านเรื่องรักๆคลยๆมาเลยนั้นเน่ะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกหรืออาจจะหาไม่ได้เลยก็ได้น้องหญิงน่อย่านึกว่าอาตมาจะเป็นคนวิเศษเลิล่ลอยกว่าราชกุมารทั้งหลาย อาตมานเคยผ่านความรักมาและก็ประจักษ์ว่าความรักเป็นความร้ายความรักเป็นสิ่งทารุณและก็เป็นเครื่องทำลายความสุขของปวงชนอาตมานกลัวต่อความรักนั้นทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรักแต่ความรักไม่เคยให้ความสมหวังแก่ใครถึงเครื่องหนึ่งแห่งความต้องการยิ่งความรักที่ฉาบถาด้วยความเสน่หาด้วยแล้ว จะเป็นพิษแก่จิตใจทําให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบสิ้นความสุขที่เกิดจากความรักนั้นเหมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของแสลงเธออย่าพอใจในเรื่องความรักเลยเมื่อหัวใจถูกลูบไล้ด้วยความรักหัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นอย่างเจิดจ้าแต่ทุกครั้งที่เราหวังความผิดหวังก็จะรอเราอยู่น้องหญิง อย่าหวังอะไรให้มากนะักจงมองดูชีวิตอย่างผู้ช่ำชองอย่าวิตกกังวลอะไรล่วงหน้าชีวิตนี้นะ่ะเหมือนเกลียวคลื่นซึ่งก่อตัวขึ้นแล้วก็ม้วนเข้าหาฝั่งและแตกประจายเป็นฟองฝอยจงยืนมองดูชีวิตเหมือนคนที่ยืนอยู่บนฝั่งมองดูเกลียวคลื่นในมหาสมุทรฉะนั้นโกกีฬาเอ่ยเมื่อความรักเกิดขึ้น ความละอายและความเกรงกลัวในสิ่งที่ควรกลัวก็พลันสิ้นไปเหมือนก้อนเมฆมาหือมาเคลื่อนตัวเข้าบทบางดวงจันทร์ให้อับแสงธรรมดาสตรีนั้นควรจะยอมตายเพราะความละอายแต่แทนที่จะเป็นเช่นนี้น่ะความละอายมักจะตายไปก่อนเสมอเมื่อความใคร่เกิดขึ้นความละอายก็หลบหน้าเพราะเหตุ น, นี้พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า ความใคร่ทำให้คนมืดบอดอันหนึ่งโลกมนุษย์ของเรานีก็เป็นไปด้วยชีวิตอันประหลาดพิสดารต่างชนิดและต่างรสชีวิตของแต่ละคนได้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปด้วยความระ ก, กรรมลำบากทุกทรมานถ้าชีวิตมีความสุขก็เป็นความหวาดเสียวที่จะต้องจากชีวิตอันเรื่อนลมนั้นไปโตกีฬาเอ่ยมนุษย์ทั้งหลาย ก็ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบางปัญญาจากสุนั้นเป็นเสมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าไปในป่าใหญ่อันรกขึก้ซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันหน้าว่าเสียวและว้าเหงเงียบเหงาเมน่อส่วนใหญนะ่แม้จะร่าเริงแจยย่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าในส่วนลึกของหัวใจเขาจะว้าวและเงียบเงาสักปานใดแทบทุกคนว้าเอ ไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักของชีวิตที่แน่นอนเธอปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือ บัด น, นี้นะ่ะเธอม่ทำเป็นเกาะที่พึ่งแล้วจงยึดทมเป็นที่พึ่งต่อไปเถอะอย่าหวังอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยโดยเฉพาะความรักความเสน่หาน่ะไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้หรอกมันเป็นเสมือนต่อที่ผูกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดสธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใด การกระทาที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้รับความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็ต้องไม่ทิ้งทำมนุษย์ที่ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีวันพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้างเพราะยังมีสติไม่สมบูรณ์แต่เมื่อได้สติในภายหลังแล้วก็ควรตั้งใจประพฤติธรรม สั่งสมความดีกันใหม่ยิ่งพวกเรานักบวชได้แล้วเนี่ยจําเป็นต้องมีอุดมคติการตายด้วยอุดมคตินั้นน่ะมีค่ากว่าการเป็นอยู่โดยไร้อุดมคติน้องหญิงธรรมดาว่าไม้จันนั้นแม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัสดินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้ อ, อยแม้เข้าสู่หีบโยนต์แล้ว ก็ไม่ทิ้งรถหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมพระศาสดาทรงย้ำว่าพึงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาธรรม